ถูกแล้วมันไม่ใช่เรื่องสำคัญถึงกับต้องเก็บมาคิดให้เปลืองใจอย่างพี่ชายของหลอนว่าแล้วทำไมทำไมหลอนจึงต้องเก็บมาคิดอยู่มีอะไรจะต้องน่าคิดหรือว่าแยแสด้วยนักหรือสำหรับพรานภัยผู้ยโสคนนั้นและหลอนก็ไม่รู้สึกตัวมาก่อนเลยว่าได้เปลืองใจคิดอยู่ในเรื่องของคนคนนั้นจนกระทั่งพี่ชายเตือนให้รู้เอาเดี๋ยนี้ หน้าอายหรือเกินดารินหญิงสาวตัดพ้อหัวใจตนเองแล้วก็สะบัดหน้าพยายามจะกระจัดความวุ่นวายโอรมานใจทั้งหลายให้หลุดพ้นไปฝนสาเม็ดในเวลาเย็นภายหลังอาหารข้ามครู่เดียวซึ่งหล่อนรับประทานคนเดียวอย่างเงียบเหงาอยู่ในเต็น์อากาศก็มืดสนิทลงความเงียบและหนาวเย็นเริ่มย่างกายเข้ามาภายหลังที่จัดการให้คนเจ็บนอนหลับไปแล้ว หญิงสาวก็นั่งสูบบุหรี่ดื่มกาแฟอยู่คนเดียวบังเกิดความเปล่าเปลี่ยววาเวอย่างไรบอกไม่ถูกทั้งทางที่ในค่ายพักทั้งหมดมีจำนวนคนอยู่ถึงส2องคนดูราวประหนึ่งว่ามีหลอนกับเชฐิฐาผู้ป่วยได้นอนหลับอยู่บนเตียงอยู่กันเพียงสองคนเท่านั้นท่ามกลางป่าใหญ่ไพรลึกหล่อนเดินมาแหวกประตูกระโจมทอดสายต า, าไปยังบริเวณแคมป์เบื้องนอก เห็นพวกลูกหาบนั่งนอนสูบบุหรี่แดงวา่าวาบอยู่บนร้านที่ปลูกไว้ทั้งสองด้านมีไฟกองใหญ่ที่ก่อแบบไฟสายฝนลูกโช่อยู่ตรงกลางเบื้องบนขึงกั้นไว้ด้วยผ้าพลาสติกป้องกันฝนซึ่งอาจตกลงมาอีกในตอนดึกเสียงกบเทียนร้องอยู่เซ็งแซ่สลับไปกับหยาดฝนที่ค้างอยู่บนใบไม้หยดลงกระทบพื้นรอบด้านดังเปาะแปะเป็นจังหวะอากาศเย็นชื้นไปด้วยระอองน้า นานๆานจะได้ยินเสียงกระดึงที่ผูกคอควายดังขึ้นสักครั้งอันเกิดจากที่มันไว้ตัวอนาเขตค่ายพักทั้งหมดเมื่อตอนกลางวันก็จัดการถากถางและปลูกสร้างเสียจนมองดูรื่นรมหน้าอยู่ขึ้นมากแล้วแต่พอตกกลางคืนความมืดปกคลุมอยู่เช่นขณะนี้มันก็กลับดูเปรี้ยวว่าน่ากลัวขึ้นอีกทุกสิ่งทุกอย่างรอบด้านล้นหน้าหวาดระแวงไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเขาคนนั้นไม่อยู่เสียคนเดียวคิดแล้วสถานเยื่อเข้าไปถึงคู่หัวใจความคิดของหลอนฟุ้งซ่านไปไกลอะไรจะเกิดขึ้นบ้างมาดว่าตกดึกของคืนนี้ขณะที่หลอนนอนหลับสนิทและตื่นขึ้นมาพบว่าบุญคำและพวกลูกหาบทั้งหลายกลายร่างเป็นเสือสมิงหรือพูดผีปีศาจไปหมดกลางป่าลึกในเวลากลางคืนทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเต็มไปด้วยความรีดรับอาเพศ ซึ่งหล่อนก็เคยพบเห็นมากับตาแล้วเชษฐาผู้เป็นพี่ชายขณะนี้ก็นอนป่วยทุพพลภาพอยู่อะไรจะเป็นเครื่องรางหลักประการคอยปุกป้องคุ้มครองให้หญิงสาวคนลูกสู้ขึ้นทั้งกายจากมโนภาพที่ร้อนตนเองบัดนี้หล่อนยอมสรารภาพกับใจตนเองแล้วระพินภัยวันผู้นั้นปราศจากเขาเสียคนเดียวอนาจากพรายมันด้วยมันดูน่าสยองกลัวไปหมด ไม่มีความอบอุ่นเชื่อมั่นใดๆเหลืออยู่เลยนับแต่เริ่มต้นออกเดินทางมาไม่เคยมีคืนใดที่รอนมีความรู้สึกผ่านพึงหวั่นไหวไม่คืนนี้แม้แต่ขณะที่หลงป่าอยู่ด้วยกันสองต่อสองในคราวนั้นก็ยังอบอุ่นสบายใจกว่าคืนนี้เพราะมีคนคนนั้นเป็นเสมือนเครื่องรางอยู่ใกล้ชิดพยายามระงับความคิดอันฟุ้งซ่านผ่านพานึงนั้นลงหัวเราะออกมาเบาๆยาะความรู้สึกของตนเอง หยิบเสื้อคุมขึ้นมาสวมเอื้อมมือไปอยังเข็มขัดปืนสั้นแต่แล้วก็เปลี่ยนใจคว้าไร่เฟิ่นขึ้นมาแทนช่วยไฟฉายติดมือเดินออกมายัางบริเวณเบื้องนอกบุญคํานอนเอกเคนกมวนยาอยู่หน้าเตาน้ํามันกา๊าซซึ่งต้มน้ำหม้อใหญ่ก็ลุกขึ้นหยิบปืนเดินตามหลังนายหญิงเป็นองครักษ์มาหญิงสาวเดินตรวจบริเวณไปรอบๆใช้ฝฟฉายกลาดส่องออกไปยังราวป่าด้านนอกอย่างระมัดระวังนายหญิงสงสัยอะไรหรือครับ บุญคำถามเบาๆป่าวหรอกออกมาตรวจดูอย่างนั้นเองแหละทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีหรือปกติดีครับพวกเราเป็นยังไงบ้างมีใครเจ็บป่วยไม่สบายบ้างหรือเปล่าเห็นนายเมยบ่นปวดหัวเมื่อตอนเย็นนี้อีกตอนนี้ดูเหมือนจะนอนหลับไปแล้วนอกนั้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรครับอ้าวแล้วทำไมถึงไม่บอกฉันสั่งไว้แล้วว่าใครเป็นอะไรให้บอกฉันหล่อนขมวดคิ้วพูดต่าๆ บุญคามัวเราะแหะๆไม่ตอบว่าอะไรหญิงสาวเดินตรงเข้าไปที่ร้านซึ่งพวกลูกหาบนอนพักอยู่ทันทีพบผัวหน้าลูกหาบกำลังนอนเอาผ้าคลุมหัวตัวสานเป็นเจ้าเข้าอยู่ภายหลังจากสอบถามและตรวจดูหล่อนก็บนพัมนี่ถ้าไม่ถามก็คงไม่รู้กันพวกนี้นี่เป็นอย่างไรนะอยากจะจับไข้าตายหรื อ, อยังไงแล้วก็บอกให้บุญคามเดินตามหล่อนเข้าไปในกระโจมพักหยิบยาส่งให้กับชับว่าเอาไปให้เขากินเสีย บอกได้ว่านี่เป็นคำสั่งของฉันพลานพืชเมืองยิ้มแห้งๆมองดูร่อนอย่างเกรงเกรงแล้วพระนำยาไปให้หัวหน้าลูกหาบตามคำสั่งหญิงสาวยืนมองดูที่หน้ากระโจมครูใหญ่บุญคำก็เดินกลับเข้ามาให้กินยาแล้วครับตัวร้อนยังกับไฟเชียวดาลินยกมือขึ้นกอดอกสั่นศรีรษะช้าช้าไม่เป็นเรื่องเลยบุญคาดูแลลูกน้องยังไงกันนะมีคนไม่สบายก็ไม่ยอมบอก ผมถามมาแล้วมันก็บอกว่าไม่เป็นอะไรเมื่อกี้ให้กินยายังไม่ค่อยจะยอมกินเสียอีกต้องบอกว่านายหญิงสั่งพวกนี้มันเป็นอย่างนี้แหละครับนายหญิงไม่จวนตายมันก็ไม่ยอมบอกบุญคาบอกอ่อยๆสุดตัวลงนั่งข้างหน้าฝากดูเขาด้วยตอนดึกถ้าตัวยังร้อนอยู่เข้าไปปลุกบอกให้ฉันรู้เราอยู่กันตามลาพังแล้วฉันก็มองไม่เห็นใครนอกจากบุญคาคนเดียวเท่านั้นตัวตาดูแลทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วย นายหญิงอย่าเป็นห่วงเลยครับพรานใหญ่กำชับบุญคำไว้แล้วมีอันตรายอะไรมาถึงนายหญิงหรือนายใหญ่ได้บุญคำยอมให้ตัดหัวราชสกุลสาวยิ้มน้อยๆมองดูพรานพื้นเมืองผู้อาวุโสกว่าทุกคนในคณะแล้วหย่อนกายลงบนลังใบหนึ่งชวนสนทนาฆ่าเวลาบุญคำเริ่มช่างพูดเมื่อหล่อนส่งเหล้า28ดีกรีให้ทั้งขวดอย่างรู้ใจเหล้าขาวพร่องเข้าไปครึ่งขวด หล่อนก็รู้ว่าพอจะหลอกถามอะไรจากพรานเท่าได้เหมือนผู้ใหญ่หลอกเด็กซึ่งเจตนาของหล่อนก็มีอยู่แล้วบุญคำอยู่กับพรานใหญ่มานานสักเท่าไหร่แล้วดารินเริ่มล้วงเรียบเคียงโดยอีฝ่ายไม่มีโอกาสเท่าทันโอ้ยหกเจปีแล้วครับนายหญิงตั้งแต่คุณลพินเพิ่งออกจากตำรวจใหม่ๆสํารวจแร่อยู่แถวเขาอืมครึมด้านโน้นนะ่ตอนนั้นยังไม่มาอยู่หนองน้าแห้งเลย หม่อมละชวงหญิงคนสวยซ่อนยิ้มยกถ้วยกาแฟขึ้นจิบอ้อพรานใหญ่ของบุญคำเป็นนักสำรวจแร่ด้วยเรอผมก็ไม่ทราบหรอกครับว่าแกเป็นนักสำรวจแร่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นมีพวกฝรั่งจ้างให้นำทางพวกนั้นหาแร่บางทีก็หาพลอยแล้วไปยังไงมายังไงบุญคำถึงมาอยู่กับเขา บุญคำยกมือขึ้นรูปผัวอันมีเส้นผมขอติดหนังศีรษะสั้นๆดูจะไม่มีการตัดหรือสระตลอดทั้งปีตอนนั้นผมเป็นผานอยู่แถวนั้นครับมีเสือใหญ่มาอร า, ารวาดเอาคนกับวัวไปกินเป็นประจำผมตามมาสองปียังเอาตัวมันไม่ได้อีกครั้งหนึ่งผมเดินไปปะหน้ามันพอดีตรงเลี้ยวโค้งทางด่านไม่ทันรู้ตัวมาก่อนเพราะมันใกล้บ้านเหลือเกินผมกาลังย่องไปยิงไก่ตกใจก็เลยกดเขาให้ด้วยลูกยิงไก่ทั้งสองนัด มันเพ่นป่าแตกไปทางไอผมก็วิ่งป่าราไปอีกทางพรานอุโสเร่าพรางหัวร้อพางเทเรเ่าโรงลงถ้วยพลาสติกยกขึ้นกรอกใส่ปากอีกแล้วเอาผ้าขม้าที่เขียนเอวป้ายเช็ดดิมฟีปากผมแนบกลับไปถึงบ้านตั้งสติอยู่ภาคใหญ่ก็เตรียมลูกโดดจะไปตามมันอีกกำลังจะลงจากเกลือนคุณรพินก็มาหาผมตอนนั้นคุ้นๆหน้ากันบ้างแล้วเพราะเห็นแกภาฝรั่งผ่านหมู่บ้านผมอยู่สองสามครั้ง แกมาติดต่อกับผมขอให้ช่วยหารุกหาบให้ไอผมก็ยังไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งนั้นเพราะกำลังจะไปตามเสือเจ็บแกรู้เรื่องเสือข้าวก็ห้ามผมบอกให้ผมอยู่บ้านเตรียมหารุกหาบให้แกดีกว่าแกจะรับภาระไปตามให้เองผมว่าแกดูถูกผมพรานเท่าแห่งเขาอึมครึมเว้นระยะอ้าป่ากัวเราะพระแวกนั้นเอ่ยชื่อพรานบุญคำใครๆก็นับถือผมยิงเสือมา22ตัวแล้ว ใครๆก็เรียกผมว่าไอ้คำพรานเสือคุณพินหนุ่มหัวใสเกินไปนะักรูปร่างก็เป็นคนกรุงตอนนั้นผมถือว่าแกบังอาจมากที่มาบอกผมอย่างนั้นผมไม่ฟังเสียงคว้าปืนได้ก็แล่นลงเรือนเข้าป่าไปอีกไม่ทันเพนหรอกครับนายหญิงจังหน้ามันเข้าพอดีในดงกระชิดมันจนเข้ามาผมก็ซัดอีแฟดออกไปทั้งสองรพร้อมกันอีตอนนั้นรู้สึกว่าแผ่นดินมันหมุนไปหมดผมหงายหลังลงกลางด่าน ปืนไม่รู้กระเด็นไปอยู่ไหนเห็นแต่เขี้ยวอันขนาดหัวแม่มือกําลังจะขบลงมากลางขมอของผมพอดีเสียงปืนดังขึ้นไอ้โครงที่กําลังคล่อมผมอยู่กระเด็นไปดิ้นฝุ่นตลบอยู่ห่างจากผมไม่กี่วาแล้วมีคนมาประคองผมพร้อมกับร้องเรียกชื่อผมจําได้ว่าเป็นคุณรพินนั่นเองแกสะกดตามหลังมาโดยที่ผมก็ไม่รู้ตัวและช่วยผมไว้ได้อย่างหวุดวิดผมเห็นอย่างเดียวในขณะนั้นว่าคนประคองผมคือคุณรพิน และเสือตัวนั้นนอนตายอยู่ต่อจากนั้นผมก็สลบไปเพราะหน้ายับไปแถบหนึ่งถูกเล็บตะปบของมันมาฟื้นอีกครั้งในโรงพยาบาลจังหวัดได้ความว่าคุณรพินเป็นคนจัดการส่งผมมาตลอดจนช่วยออกค่ารักษาให้ทุกอย่างดารินเลิกคิ้วยิ้มยิ้มผงกศีษะนนิดหนึ่งตาจับอยู่ที่ใบหน้าอันเป็นแผลเป็นของบุญคาฉันเข้าใจละตั้งแต่นั้นมาบุญคาก็โดยติดสอยให้ตามเข้ามาตลอด ผมไม่มีลูกไม่มีเมียหลักฐานอะไรก็ไม่มีทั้งนั้นเป็นทานหาเช้ากินข้าคุณวิพินแกไม่เพียงแต่จะช่วยชีวิตผมไว้ในครั้งนั้นเท่านั้นแกยังช่วยเหลือผมอีกตั้งหลายอย่างเป็นบุญคุณที่ผมใช้ไม่หมดนอกจากความรักและความพักดีชนิดยอมตายแทนได้เท่านั้นแกไปถึงไหนบุญคัมก็ไปถึงนั่นแกเป็นคนดีจริงๆครับน้าใจก็ยอดเห็นรูปร่างทีแรกผมไม่เชื่อว่าแกจะเด็ดอย่างนี้ แล้วเกิดจันเสยอีกสามคนนั่นล่ะไปยังไงมายังไงโอ้ยไอ้สามคนนั่นมันมาอยู่กับคุณรพินตอนที่เรามาอยู่หนองน้ําแห้งแล้วครับไอ้เกิดนั่นพ่อมันถูกกระทิงเหยียบเสียเละก่อนตายฝากลูกชายไว้ไอ้จันไปเจ้าชู้กับผู้หญิงกะเรียงพวกกระเรี่ยงร้อมตีจะตายอยู่แล้วคุณรพินผ่านไปพบเข้าขอชีวิตไว้ลากตัวมาเลี้ยงไอ้เสยนั่นก็เป็นลูกพานเก่าวของคุณอําพลพ่อถูกหมีควายปอกหนังหัว คุณรพินช่วยไว้ได้อย่างบุดวิดเหมือนกันพิการอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้มาอยู่หนองน้ำแห้งกันตั้งแต่เมื่อไหร่สี่ห้าปีมาแล้วครับตอนนั้นยังไม่มีใครสำรวจเข้ามาถึงคุณรพินกับผมมาบุกเบิกตั้งสถานีดักสัตว์ขึ้นต่อมาก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านพวกชาวป่าชาวเขามันอพยพเข้ามาอาศัยอยู่ด้วยด่าดินร้วงบุรีออกมาคาบ บุญคำก็กุรีกุจอจุดไม่ขีดป้องส่งมาให้หล่อนพึมพำขอบใจบุญคำรู้จักคุณแม่ของเขาไหมรู้จักครับนายแม่ท่านใจดีออกเจอหน้าคุณรพินทีารขอร้องให้คุณรพินเลิกอาชีพดักสัตว์ขายทุกตีไปท่านบอกว่าบาปกรรมท่านอยู่ที่ไหนนะที่หนองน้ำแห้งไม่เห็นมีนายแม่ท่านอยู่ในตัวจังหวัดครับอยู่กับหลานเล็กๆสองคนแล้วก็คนใช้เก่าแก่อีกคน ไม่ได้อยู่ที่หนองน้ําแห้งหรอกตามปกติสองสามอาทิตย์คุณรพินก็เข้าไปเยี่ยมในแม่สักครั้งส่วนมากเป็นเวลาที่เอาสัตว์ไปส่งให้ที่สถานีกั ก, กสัตว์ของคุณอัมพลแล้วก็เลยเข้าจังหวัดไปเยี่ยมนายแม่นายหญิงไม่รู้จักกับนายแม่ของคุณรพีนหรอกหรือครับรอนสั่นศรีสะฉันรู้ว่าเขามีคุณแม่อยู่คนหนึ่งแต่ไม่เคยเห็นหรอกแล้วครอบครัวลูกเมียของเขาล่ะบุญคําหัวเราะลั่น ลูกเมียที่ไหนกันล่ะครับนายหญิงคุณและพินยังไม่มีครอบครัวเลยเหรอทำหน้าตื่นไกบุญคำรู้ได้ยังไงว่าเขายังไม่มีครอบครัวอยู่มาจนกระทั่งอายุป่านนี้แล้วพรานพื้นเมืองยกมือรูปผัวพูดพรางหัวเราอพางโธ่ทําไมผมจะไม่รู้ครับก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานคุณและพินขืนแต่งงานก็มาทํางานอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับดารินเลอรคิ้ว เป่าควันบุหรี่ให้กระจายไปกับกระแสลมเย็นเฉียบบุญคำจะไปรู้ประวัติของเขาได้ยังไงถึงเดี๋ยวนี้ไม่มีแต่ก่อนก็อาจเคยมีมาแล้วบุญคำไม่ได้รู้เห็นชีวิตของเขามาแต่ต้นไม่ใช่หรือบุญคำยิ้มแห้งๆนิ่งไปครู่ก็บอกว่าเอถ้าก่อนหน้าที่ผมจะมาอยู่กับแกผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่เท่าที่อยู่ด้วยกันมาห7ปีผมไม่เคยได้รแค่รักใคก็เห็นแกอยู่คนเดียวมาอย่างนี้แหละ ไม่เห็นเคยสนใจกับผู้หญิงคนไหนดูแกจะเกลียดเกลียดผู้หญิงเอาเสียด้วยซ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาเกลียดผู้หญิงหล่อนถามยิ้มยิ้มพลานเท่าหัวเราะชำเลืองกระมิดกระเมียนอยู่ที่ขวดเรลาอย่างเกรงใจดาดินจึงคว้าขวดดินลงถ้วยพลาสติกจนเต็มแล้วพยักหน้าอย่างใจดีรู้สิครับผมสังเกตมาหลายครั้งแล้วภายหลังจากดวดเข้าไปหมดอีกถ้วยเต็มเต็ม บุญคำก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของหญิงสาวจนสิ้นเชิงโดยไม่รู้สึกตัวตามแต่รอนจะไขเอาความเป็นต้นว่ายังไงมั่งลองเล่าให้ฟังสิมีคุณผู้หญิงอยู่คนหนึ่งครับนายว่าเป็นหลานสาวของคุณอําพลชอบมาล่าสัตว์ในป่าแถบนี้อยู่เป็นประจำบ่อยๆปีนี้ก็มาสองครั้งแล้วต้นหน้าร้อนครั้งหนึ่งกลางหน้าฝนอีกครั้งหนึ่งรวยมากครับ มาทีไรก็ติดต่อคุณอําพลให้ช่วยว่าจ้างคุณรพินนำออกเที่ยวร่าสัตว์ทุกทีแหละมีเพื่อนๆ เ, เป็นฝรั่งมาด้วยหลายคนทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้วก็ให้ค่าจ้างสูงลิบแต่คุณรพินไม่ยอมไปกับคณะนั้นขัดไม่ได้ก็ให้ผมนาไปแทนแต่คุณผู้หญิงคนนั้นไม่พอใจรู้สึกว่าเธออยากจะให้คุณรพินเป็นคนนาเที่ยวมากกว่าถึงกับให้คุณอําพลมาขอร้องคราวที่มาครั้งที่สอง แกก็เลยจำเป็นต้องพาไปเพราะมีคุณอณัมพลร่วมคณะไปด้วยคุณผู้หญิงคนนั้นพยายามอยู่ใกล้ชิดคุณรพินตลอดเวลาแต่แกกับบลีกหลีกลบปบโอ้ยเธอเอาใจสารพัดเลยครับแต่เจ้านายของผมทำไมถึงไม่ยอมสนใจกับเธอเลยก็ไม่ทราบท่าทางไม่มีความสุขเลยเวลาพบเห็นเธอผู้นั้นเข้าครั้งสุดท้ายเมื่อกลางหน้าฝนที่แล้วมานี่เองคุณพินกับพวกผมออกไปดักสัตว์ทีุ่กบอนพอจะกับหนองน้าแห้ง ไอ้เกิดก็รีบด่วนมาจากบ้านพักบอกว่าคุณอัมพลให้มาตามกลับเพราะคุณผู้หญิงนั่นจะมาล่าสัตว์อีกแล้วพอรู้ข่าวแทนที่จะรีบกลับแกก็เลยแก้งถ่วงเวลานอนในป่าเสียอีกอาทิตย์จึงกลับไปถึงหนองน้ำแหง้งที่ไหนได้คุณผู้หญิงคนนั้นมาพักรออยู่ที่บ้านหนองน้ำแห้งแล้วอีทีนี้มาคนเดียวบุญําผููหรรขึกึกอย่างนึกสนุกอยู่คนเดียวตลอดเวลาดาลินตาสว่างโพง คอยสดับฟังอยู่อย่างตั้งอกตั้งใจหล่อนอยากจะหยิกบุญคำเตือนให้แกเล่าต่อไปโดยเร็วแต่ก็สู้สะกดความกระหายไว้ภายใต้อาการเรียบร่าเป็นปกติเตือนมาเบาๆว่าแล้วยังไงต่อไปละ่ะเล่าขยักอยู่ได้เรื่องกำลังสนุกคุณรพินวางหน้าไม่ถูกเลยครับเท่าที่ผมเห็นหน้าแกมืดคร้ำลงทีเดียวคุณผู้หญิงนั่นท่าทางดีใจมากที่เห็นเจ้านายของผมแทบจะถววาเข้ามาทีเดียวแหละ ได้ขวาวว่ามานอนพักอยู่ที่หนองน้ําแหง้งคอยอยู่สองสมวันแล้วอยากจะมาดูการดักสัตว์ด้วยคุณรพินแกจะเอาไปส่งที่สถานีของคุณอำพลแต่เธอไม่ยอมบุญคําเหลียวหน้าเหลียวหลังเมือนเกงจะมีใครได้ยินแล้วยิ้มแห้งๆแผ่วเสียงเป็นกระซิบนายหญิงอย่าบอกคุณรพินนะครับว่าผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังรับรองฉันไม่ใช่คนปากบอลหรอกต่อไปสิมีอะไรเกิดขึ้นตกลงคืนนั้น เธอนอนพักที่บ้านหนองน้ําแห้งครับพอตกดึกคุณรพินก็ย้ายมานอนอยู่ที่เรือนเล็กกับพวกผมไม่พูดอะไรสักคาเดียวคว้าขวดเหล้ามาด้วยพอมาถึงก็ดื่มเสียหลายอึกแล้วก็ลงนอนเอาผ้าคุมหัวผมสงสัยย่องออกไปดูที่เรือนใหญ่ปรากฏว่าคุณผู้หญิงคนนั้นเข้าไปนอนอยู่ในห้องของคุณรพินผ่านเท่าผู้ตกหลุมรวงของหญิงสาวประกอบกับความคืมของ28ดีกรีอันได้รับเป็นกํำ น, นันปิดปากเราะคิก ค, คักนี่แหะครับ จะไม่ให้ผมว่าเจ้านายของผมไม่เกลียดผู้หญิงได้ยังไงนางฟ้าเหาะลงมาหาถึงกลางป่าอย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ยอมเล่นด้วยเรื่องยังไม่จบนี่พอเช้ามืดคุณละพินแกก็เข้าป่าเลยครับคราวนี้หายไปสิสองอาทิตย์พอกลับมาคุณผู้หญิงคนนั้นก็กลับไปเสียแล้วทิ้งจดหมายไว้ฉบับหนึ่งเป็นจดหมายอะไรผมก็ไม่รู้ดารินวรลิศ ต่อบุรีเป็นตัวที่สองพลอยหัวเราะเหมือนจะรู้สึกสนุกขบขันไปกับบุญคำด้วยตามที่แกเล่าให้ฟังแต่ใจเต็มไปด้วยปัญหาวุ่นวายผู้หญิงคนนั้นเป็นหลานของคุณอัมพลหรือครับคงจะหลานสาวรวยมากด้วยครับเห็นมาทีไรคุณอัมพลเอาใจเป็นอย่างดีทุกครั้งไปเสียงว่าเป็นแม่หม้ายแต่งงานได้สองปี สามีก็ตกเครื่องบินตายทิ้งมรดกไว้ให้เป็นสิบสิบร้านผู้หญิงคนนั้นแต่งงานแล้วและเป็นม่ายร่อนร้องเสียงสูงแทบจะระงับความตื่นเต้นไว้ไม่ได้โชคดีที่คู่สนทนาของ่อนไล์ดิงสาเกินไปครับคงจะสวยมากด้วยใช่ไหมสวยนะสวยแน่ครับแต่อย่าหาว่าบุญคำสอพรอนายหญิงเลย คุณผู้หญิงคนนั้นสวยก็จริงแต่ไม่เทียบนายหญิงของบุญคำหรอกดาลินหน้าแดงด้วยความรู้สึกอันเม่อาจกล่าวถูกทำเสียงต่ำๆเรื่องอะไรที่จะต้องเอาเขามาเทียบกับฉันได้ดละ่ะอ๋อเป็นนักล่าสัตว์ด้วยหรือก็ไม่เชิงครับผมว่าเจตนามาเที่ยวป่าแถบนี้เพราะอยากจะพบเจ้านายของผมมากกว่าขึ้นนั่งห้างกับผมเกงเข้ามาเดินอยู่ใต้ห้างห่างไม่กี่วาก็ยังยิงไม่ถูก เดินในป่าจ้าครึ่งกิโลก็บ่นเดินไม่ไหวแล้วต้องให้คุณลพินประคองพวกเพื่อนๆที่มาด้วยกันก็เป็นพวกมาเที่ยวสนุกมากกว่าพวกชาวกรุงผิวบางทั้งนั้นเปรียบกับนายหญิงไม่ได้เท่าขี้เล็บชื่ออะไรคุณผู้หญิงคนนั้นบุญคำเอามือข้อหัวทำท่าคิดดูเหมือนจะชื่อแสงแสงอะไรนี่ละครอ่อออแสงโสมครับคุณแสงโสม หญิงสาวพยักหน้าช้าๆทำไมเราไม่ยุให้เจ้านายของเราตกลงปรงใจกับคุณแสงโสมคนนี้เสียล่ะทั้งสาวทั้งสวยมิหนำซ้ํำยังออกร่ํารวยอุตสาหบุกบันมหาถึงกลางป่าเจ้านายของบุญคำแต่งงานกับเธอคนนั้นเสียก็ไม่ต้องมาลําบากบุกป่าฝ่าดงดักสัตว์ขายอยู่อย่างทุกวันนี้พวกบุญคำก็จะได้พลอยสบายไปด้วยผ่านเท่าตบหัวเข่าตัวเองดังชาทุเราะเอิก๊ก ถึงว่าสิครับนายหญิงพวกผมก็ยังแปลกใจอยู่ทุกวันนี่แต่พวกผมก็ไม่กล้าพูดอะไรกับแกในเรื่องคุณแสงโสมนี่หรอกครับเห็นสีหน้าของแกแล้วอ้าปากไม่ออกกลัวถูกเตะเพราะท่าทางแกเครียดเอาจริงๆไม่เฉพาะคุณแสงโสมนั่นเท่านั้นผู้หญิงอื่นๆก็เหมือนกันมีแหม่มสาวๆสวยๆอีกหลายคนหลายคณะติดต่อผ่านคุณอัมพลจะขอให้แกช่วยนาทางไปสารวจพวกชาวเขา ในว่าพวกนั้นเป็นนักศึกษาจะมาเขียนตำราบางคนกล้าถึงกับมาคนเดียวพรารู้ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นแกไม่ยอมรับไม่ว่าจะให้ราคาแพงสักขนาดไหนแต่ถ้าเป็นแหม่มที่มีสามีและสามีมาด้วยแกถึงยอมพาไปอืมแปลกนะเจ้านายของบุญคำคนนี้รู้ไหมทำไมเขาถึงเกลียดผู้หญิงบุญคำสันศีษะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับ คุณแสงโสมที่ว่านี่บุญคำสังเกตได้ไหมว่าเคยรู้จักพรานใหญ่มาก่อนหรือเปล่าหล่อนสอบโดยไม่จำเป็นจะต้องพวงว่าคู่สนทนาจะจับพิรุษอย่างใดได้เพราะแน่ใจแล้วว่าบุญคำไม่มีโอกาสรู้สึกตัวเอ่ข้อนี้ผมก็ไม่ทราบคุณรพินรู้สึกว่าจะเฉยเฉยอย่างนายลูกจ้างธรรมดาธรรมดาแต่คุณแสงโสมดูสนิทสนมกับคุณพินมาก เขาเห็นเรียกชื่อคล้องปากแล้วชอบเกาะแขนไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าหรือรับหลังพวกผมดารินเม้มฝีปากน้อยๆหลีตาลงมาที่หนองน้ำแห้งกี่ครั้งแล้วดูเหมือนสามครั้งครับแต่ฝากของผ่านคุณอํมพลมาให้เจ้านายผมบ่อยที่สุดของอะไรหลายอย่างครับเครื่องใช้เครื่องกินเสื้อกันหนาวบ้างอาหารกระป๋องบ้างส่งมาทีเป็นหีบผีบบางทีก็เหล้าเบีย น้าร้อนที่แล้วส่งจีบแบรนด์ลโเวใหม่เอี่ยมมาให้ใช้ทั้งคันแปลกแท้คุณรพินเอาไปทิ้งไว้ที่สถานีกักสัตว์คุณอัมพลไม่ยักเอามาใช้สักครั้งเดียวเสื้อกันหนาวสวยๆให้มาก็ไม่เห็นยอมใส่โยนหมกอยู่ในตู้ไม่ว่าอะไรไม่ยอมใช้สักอย่างเก็บสุ่มรวมๆกันไว้กองพเนนไม่เคยแตะต้องนานๆก็เข้าไปยืนดูซิทีแล้วก็ดื่มจนเมาหลับไปปุ่คําว่าเขาเกลียดคุณแสงโสมนี่มากหรือ ก็เกลียดมากน่าสิครับไม่เกลียดทำไมถึงจะทำอย่างนั้นดารินวราลิตลุกขึ้นยืนชา้าช้าดีดบุหรี่ไปกระจายแตกเป็นลูกไฟแดงวาบอยู่กับพื้นสั่นศรีรษะบอกมาด้วยเสียงแผ่วเรียบว่าตรงกันข้ามจงรู้ไว้เสียด้วยเถอะว่าเขารักรักคุณแสงโสมคนนั้นอย่างที่สุดรักเสียจนกระทั่งเมื่อพลาดหวังโลกทั้งโลกมันมืดมนสาหรับเขาไปหมดจบคาพูด หล่อนก็หมุนตัวเดินกลับแหวกประตูกระโจมรับหายกายไปปล่อยให้บุญคำนั่งอ้าปากค้างกระพริบตาปลิบปบงงงันอยู่คนเดียวหญิงสาวชักพระห่มขึ้นคลุมตัวประสานท่อนแขนทั้งสองรองศีรษะไว้จ้องมองดูเพดานม้งสนามเตี้ยเตี้ยอย่างปาจาาความหมายเสียงลมหายใจของพี่ชายผู้นอนอยู่เตียงติดกันใกล้ๆได้ระดับอ่อนสม่ำเสมอแสดงว่าหลับสนิท แต่หล่อนไม่มีวิแววของความง่วงย่างกรายเข้ามาเลยหัวใจตื่นอยู่ด้วยอารมณ์พิศวงเล่นลับที่เจ้าตัวเองก็บอกไม่ถูกดีหรือเกินหล่อนคิดเจ้าตัวไม่อยู่เป็นโอกาสปลอดที่สุดหลอกถามลูกน้องให้ขยายอะไรต่ออะไรออกมาจนสิ้นไส้สิ้นพุงฉันรู้เรื่องของเธอหมดแล้วละเพราะคนอกหักช่างหน้าขำหน้าสนุกเสียนิกรยดาลินเวราลิยิมน้อยๆออกมาคนเดียว นอนลืมตาใสอยากเห็นเหลือเกินคุณแสงโสมของเธอคนนั้นนะ่ะทาไมเนาะถึงได้จริงจังเคร่งเครียดกับชีวิตเอาถึงเพียงนั้นถึงแม้เจ้าหล่อนคนนั้นจะหักอกเอาในครั้งแรกไปแต่งงานสีกับชายอื่นแต่บัดนี้หล่อนก็อยู่ในฐานะเป็นม่ายเพราะสามีตายและหวนกลับมาง้อ ง, งอนถึงขนาดนั้นแล้วพ่อเจ้าประคุณทาไมถึงทาใจเป็นเหล็กเพชรถึงขนาดนั้น ่านไฟเก่าจะไม่ลุกโชดขึ้นมาบ้างเจียวหรือในเมื่ออดีตคนรักตามเขาไปมอบตัวจนถึงห้องนอนในเวลาวิกาลอันสงัดเช่นนั้นทำไมถึงจะต้องลุกขึ้นหนีไปนอนกับลูกน้องเสียพลอยทำให้บรรดาลูกน้องทั้งหลายซึ่งไม่รู้ความในอันเกี่ยวพันกันมาก่อนต้องพากันอัศจรรย์ใจและคิดถัวเราะเยาะกันอยู่จนทุกวันนี้ซ้าตัวเองก็ผ่านจงเกลียดจงชางผู้หญิงโดยไม่เลือกหน้ามาตลอด เนื่องมาจากคุณแสงโสมประโลมใจคนนั้นใจแข็งทิฐิ ท, ทนงดารินใคร่ควรแล้วก็กําหนดคําจํากัดความให้แก่คนคนนั้นอยู่ในใจแต่อย่างน้อยที่สุดเธอก็ยังเป็นคนมีคุณธรรมประจําใจซึ่งยากนักที่จะหาได้ในผู้ชายคนใดเป็นคุณธรรมอันสูงส่งน่าชงนและไม่น่าเชื่อว่าพรานภัยใจัยชะการจะมีชีวิตคลุกคลีตลอดเวลา อยู่กับอนาระยะธรรมอย่างเธอจะพึงมีได้ถึงไม่ได้รับฟังเรื่องราวชนิดนี้จากบุญคำก็พอจะรู้มาก่อนได้บ้างหรอกจากคืนวันที่หลงป่าอยู่ด้วยกันเพียงสองต่อสองหญิงในตัวเองเหลือเกินนะเพราะคนอกหักจองหองก็เท่านั้นอยากจะปล่อยภาคภูมิใจด้วยหรอกในข้อที่ว่าเธอชนะผู้หญิงคนที่สร้างราคีหัวใจให้แก่เธอได้อย่างงดงามที่สุดแต่ฉันรู้สึกว่า ถึงอย่างไรเธอก็ยังปวดร้าวทรมานหนักอยู่บนชัยชนะอันนั้นหน้าหัวเราะวิ่งหนีคนรักเก่ากลางดึกแล้วก็ไปกินเหล้าจนหลับพับไปยังหรอยังไม่ใจแข็งแท้นักทำไมจะต้องอาศัยเหล้าช่วยด้วยมันคงเป็นเหตุการณ์ที่เธอต้องต่อสู้ทางใจขนาดหนักที่สุดสินะระหว่างรักเก่ากับทิฏฐิมานะของตนเองอันมีพื้นฐานมาจากความเจ็บแค้นร้าวระบม ผู้ชายอย่างเธอก็อยังอุตส่าห์มีอยู่ในโรค ก, กับเขาด้วยน่าจะได้รับการปรบมือให้เสียจริงแล้วมันเรื่องอะไรที่ผู้หญิงใจรวนเ ร, เรคนหนึ่งสร้างแผลหัวใจให้พลอยมาเป็นพานเป็นศัตรูกับผู้หญิงคนอื่นๆให้เขาหมดทั้งโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับฉันผู้เป็นนายของเธอเองคิดหรือว่าขึ้นชื่อว่าผู้หญิงแล้วจะเป็นเพศที่สมควรดูหมินน้าใจได้ทุกคนไปฮึ ถ้าฉันเป็นแม่แสงโสมคนนั้นลงได้พระจากไปแล้วเป็นไม่มีวันเสียละที่จะหวนกลับคืนมาอีกเพื่อเปิดโอกาสให้เธอยามน้ำใจได้เอ๊และนี่มันเรื่องอะไรกันที่ฉันมัวมักล่ำควรคุค้นคิดอยู่ในเรื่องของเธอให้เปลืองสมองเปลืองเวลานอนอยู่เช่นนี้หล่อนขมวดคิ้วตั้งคำถามใจตนเองแล้วก็ปิดเปลือกตาทั้งคู่หลับสนิทลงพยายามกระจัดความคิดทั้งหลายให้หมดสิ้นไป กว่าจะหลับลงได้ก็เป็นเวลาเลยที่ยังคืนท่ามกลางความหนาวเย็นและสงัดเงียบของป่าใหญ่ประมาณตีสดาลินและเชษฐาสะดุ้งตื่นพวดพลาดขึ้นมาอย่างตกใจเสียงปืนนัดหนึ่งระเบิดกึกก้องไปทั้งแคมป์หญิงสาวเพ่นลงจากเตียงอันเป็นเวลาเดียวกับที่พี่ชายพงกชันกายขึ้นร้องระรารักน้อยเกิดอะไรขึ้นดาลินถลันเข้ามาจับตัวคนเจ็บไว้อย่าลุกขึ้นมากับพี่ใหญ่น้อยจะออกไปดูเอง ว่าแล้วหล่อนก็คว้าไรเฟิลนคู่มือพร้อมฝีฉายกระโจนออกจากเต็น์ไปโดยเร็วหัวหน้าคณะเดินทางเสือกายไปหยิบจุด458แดแมกนัมที่วางอยู่หัวเตียงด้วยสัญชาตญาณขยับลุกเลื่อนขึ้นลำแล้วถือพาดไว้กับตักเตรียมพร้อมพยายามเงี่ยหูสดับตับฟังเสียงซึ่งบัดนี้ได้ยินเสียงพวกลูกหาพูดกันเอะและมีเสียงกระดึงผูกคอควายสั่นเกลียวกาวอันเกิดจากการแตกตื่นและสัมมละสายของพวกมัน ครั้นแล้วก็มีเสียงแผลบเรี่ยงขึ้นอีกนัดหนึ่งในความเงียบกลางดึกเช่นนี้มันดังสะท้านไปทั้งเนินเขาเชี่ยาเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายแทบจะเพ่นตามน้องสาวออกไปแต่เขาก็ไม่สามารถขยับร่างกายท่อนล่างได้เพราะพิษเจ็บปวดจากบาดแผลครูใหญ่ดาลินก็แวกประตูกระจกกลับเข้ามาสีหน้าไม่แสดงว่ามีเรื่องร้ายแรงชนิดใดเกิดขึ้นเหมือนเช่นที่เขาระแวงอยู่ในขณะ น, นี้เสือดำค่ะมันย่องเข้ามากวนควาย บุญคำยิงน้องสาวบอกเรียบๆ ย, ยกมือเสยผมนั่งลงบนเตียงพรางหัวเราะออกมาเบาๆได้ตัวหรือเปล่าเห็นยิงสองนัดพี่ชายถามเร็วปืออขาที่ไปตอนนัดหลังนี่แ่ละค่ะตัวไม่โตนักบุญคำบอกว่ามันตายโคถินขึ้นมาควายได้กลิ่นดิ้นขึ้นถึงได้รู้พอสองไฟก็พบพอดีแล้วควายละ่ะถูกมันกัดหรือเปล่ายังไม่ทันเพ่นลงมาหรอกค่ะ บุญคำยิงสงก่อนลงมาดิ้นปัดอยู่ข้างๆควายตอนที่น้อยวิ่งออกไปบุญคำก็เข้าไปซ้ำอยู่หมัดไปแล้วเชษฐถาถอนหายใจออกมาอย่างโร่งอกวางปืนลงตามเดิมใจหายหมดสิ้นเคราะห์ไปทีนึกว่าไอ้แหว่งบุกอีกเสีแล้วบุญคำหูวายอาการแบบนี้ก็พอไว้ใจกันได้หน่อยพี่กำลังหลับเพลินทีเดียวเป็นไงบ้างคะตอนนี้ปวดแผลหรือเปล่า ดาดินถามพร้อมกับเอื้อมมือมารูปขาตรงบริเวณที่ผ่านผ้าไว้ของพี่ชายเชษฐาสันศีษะข้อ ย, อยังชั่วขึ้นมากแล้วอยู่เฉยๆไม่ปวดเลยนอกจากเวลาขยับตัวคืนนี้ก็หลับสบายมาตั้งแต่หัวค่ำมาตกใจตื่นเอาตอนเสียงปืนนี่เองนอนซืเถิดข้าพี่ใหญ่นี่เพิ่งจะตีสเท่านั้นพยายามพักให้มากที่สุดจะได้หายเร็วๆ2วันแห่งการรอคอยฟังข่าวจากคณะที่ออกไปติดตามไอ้แหวง ผ่านไปอย่างสงบราบคาบอาการของหัวหน้าคณะทุเราลงอย่างรวดเร็วพอวันที่3บุญคําก็ต่อแครสําหรับนั่งหามเจ้าหนายให้ออกมานั่งเล่นที่บริเวณลานกลางแคมป์ในตอนเช้าและเย็นอันเป็นความต้องการของคนเจ็บเองโดยมีน้องสาวคอยเป็นพี่เลี้ยงและเพื่อนสนทนาอยู่ใกล้ชิด